Bank Off Radio Format โดยวิทยาแสงอรุณพี่น้องจ๋าและอ่ะก็ แล้วก็ไม่ให้แผ่น 2 เอ่อถ้าเกิดใคร 2 แล้วเนี่ยแล้วยังมีคุณชนาญอยู่นะ เอ่อโทรเข้ามาคุยคุณชนาก็โทรเข้ามา 90 และที่สําคัญง่ายนิดเดียวคุณโทรเข้าก็ 02 338 3589-90 นะครับอ่าโทรเข้ามากันได้เลยนะครับเบรกใช่อ่า นั่นเป็นเว็บไซต์นะครับที่สามารถโหลดมา ต้องเป็นห่วงหรือว่าสําหรับน้องๆหลายคนที่แบบฉันจะต้องไปต่าง ต้องไฮโซต้องมีเงินต้องการอย่างนั้น หน้ามือหลังเท้าได้เหมือนกันค่ะมือคนฟังค่ะเท้าได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเอ่อ ไม่มีที่ไหนจะมีความสุขแล้วก็จะจะปลอดภัยไหนก็อยู่ที่ไหนอยู่คือขอ VP ของเพราะเขาทํางานบริษัทเขาก็แบบประมาณว่าจะเทคแคร์ดูแลอย่างดีแต่อือ ว่าพี่ที่คือการโกอินเตอร์เพื่อนเพื่อนที่เคยทํา หมายความว่าจากเข้ามาเที่ยวอลชัยเข้า อ่าอะไรเค้าเราน่าจะทําได้เราก็ต้องทําได้และบางครั้งถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อะไรที่ๆก็คนจะหาหนทางแก้ไข อิเล็กเคค่ะเออเออเราเป็นไกเดอร์เยอะแยะอะไรอย่างๆไม่ว่าคุณจะ กับเค้าก่อนรักตัวเองรักตัวเค้าพอคุณมีความรักปุ๊บนี้ความเกลียดชังก็จะห่างหายกันไปใช่มั้ยใช่ เออเดี๋ยวประมาณประมาณน่ะ แฟนคนต่างชาติเข้ามามาเที่ยวที่เมืองไทยเราด้วยความที่เพื่อนสนิทเพื่อนก็เข้าใจว่าโอเคนะไม่เป็นๆคอยคิด ไม่มีอะไรจะความเป็นเพื่อนก็กลับมาเพื่อนก็มาขอโทษเรากับการให้ภัยเหมือนหนังพุ่มพวงมั้ยฮะเหมือนมั้ย คนเดิมครับปอครับคุณปอนะครับ 2 เล่มนะครับ ต่างข่ายคือข่ายที่แพงทั่วประเทศหลายคนเป็นหนังสือใต้ดินหรือเปล่าหนังสือแบบอะไรหรือเปล่าอันที่จริงไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้หาซื้อไม่มีแล้วตอนนี้หาซื้อไม่ประเทศครับครับ 117 ครับฮะ พี่ดีเนี่ยก็จะตัดสินใจชาติไหนดี ชาติไหนดีไหนดีชนะขอจะแต่งงานกับชาติไหนคือคนได้ชื่ออะไรชนะทุ่งเทศเกี่ยวกับการทํา ได้นั่นคือชายเอ้ยไม่ใช่ชาน่าค่ะคือก็เอิ่มคําถามต่อเหตุผลต่อไปคือถ้าจะดีเป็นอย่างมากถ้าว่าแต่งกับชน ก็มีหลายประเทศอย่างบางรัฐของอเมริกาไม่ใช่ทุกรัฐซานฟรานซิสโกก็ต่อๆเพิ่งได้ จะบังเอิญหรือว่าโชคดีอะไรก็แล้วแต่รักคนนั้นแล้วคนนั้นก็แต่งงานกันได้ก็ สวัสดีครับคุณไม่ได้ ถูกเอาไปหมดโช่ครับพี่น้องชื่อแม้โปดิฉันเดี๋ยวฉันจะจัดการกินให้ฝากด้วยนะครับพี่น้องนี่เพราะฉะนั้นคําถามๆแล้วทุก <นะ. S 2> แต่ว่าแฟทําต่อแล้วตกลงชาติไหนที่ถูกใจที่คุณคุณรอคะแนนหน้าคือน่ารักกว่าอันเธอ ชายคือ overall แล้วคะแนน 90.99% ประมาณฟุดหวานๆอย่างเงี้ยฟุดหวานๆแล้วก็เอาใจคือเค้าจะ รู้จักแล้วก็รู้จักกันใช้เพราะชนะก็มีแฟนๆทุกประเทศอุ๊ยไม่ใช่ ก็เดี๋ยวเราฟังสัมภาษณ์ต่อดีกว่าได้ๆๆเดี๋ยวจริงๆคุณโปหลังใบก็ฝากเอ่อที่อยู่หรือว่าฝากวิธีที่ <centre> รอบอีกแล้วขอย้ํารอบโลกครับผู้ชมค่ะก่อนอ่าที่ที่อิตาลียุโรปก็จะมาอียิปต์มาเอ่อเซาอเมริกานะคะ ราจินราทอยอยากเจอรู้จะอยู่หวนได้อ่ะอ่ะมาแล้วมาแล้วชื่ออะไรเอ่ยมองไม่ค่อยเห็นครับค่ะสายตายาวค่ะยุ อ๋อฟังทางไอซ์ครับอ้าวเหรอแล้วรู้รู้ใช่มั้ยครับว่าตอนนี้เราสัมภาษณ์คุณชาน่าอ่าแล้วรู้ได้ เพราะว่าเค้าไม่ได้ฟังมาไงอ๋อก็เลยไม่รู้จะถามอะไรคุณชานะนะก็ไปครับลูกพี่ครับนะขอบคุณมากนะ อยากสัมพิมพ์มาแล้วก็มาบอกพวกเราก็ได้ว่าอยากได้เดี๋ยวเอากรรมก็ก็เอาสัปดาห์หน้าละกันเออหรือสัปดาห์ Facebook ของคุณ นะครับปัญญาแสนบรรลุนค่ะคุณ FX ครับคุณ FX อ่านว่า FX แล้วกันนะๆคุณผู้ชม FX นะจริงๆคุณชนาน่าก็หน้าสวย 3 ปีสอนอ๋อเค้ามีประกวดเค้า เขาเรียกมิสก็คือ MS คือไม่ใช่ M I W S แต่ว่าจะเป็นเป็นมิสเอ่อเป็นมิสประจําเรือซึ่งจะ เป็นช่วงคริสต์มาสพอดี 10 กว่าวังก็ 2004 Miss Coral Princess ได้เป็นนางแรกสาวไทย เอ่อ 2003 ได้ Coral Princess 2004 ได้ Diamond Princess เปิดตัวที่ญี่ปุ่นตัวที่ญี่ปุ่นเอ่อ 3 นี้ The Runner Up ที่ 2005 ที่ Grand Princess อยู่ที่เรือ 3 ปีซ้อนแต่ว่า 2 ปีแรกนี่ Miss เลย บางบางครั้งก็จะให้ตัวแทนของแต่ละประเทศออกมาหรือบางครั้งอย่างสาวไทยก็จะ 10 กว่า แต่ละประเทศหรือว่าแต่ละภณเณอีกทีครับแล้วส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นพวกเราหรือเปล่าเป็นเกย์หรือเปล่าเป็นกระเทยอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดเอ่อปีล่าสุดปี 2005 คนที่ได้เค้าไม่ได้เป็นแต่ว่าได้ด้วยความที่ๆเป็นชาวออสเตรเลียใช่เป็น ก็เค้าเรียกอะไรนะนักแสดงตรงใช่ปรากฏที่ 2005 รู้ Miss Universe ที่เมืองไทยจะมีซีนที่ ใส่พอมาคือเอาผ้าคลุมมาอยู่เอ่ออะไรมันเป็นตาเตยตัวอย่างใช่พอมาคือ Miss Universe ที่ประกวดที่ 9 เดือนมา ช่วยของชนาคนไทยเขาไปดูที่ Princess Theater <เอ>เขาไปดูการประกวดเขาร้องไห้เขาบอก จำชื่อไดเวนเหมเห็นเป็นคน Thailand อะไรประมาณนั้นต่อครับเออ ก็โอเคแล้วจะเดี๋ยวนี้มีปรากฏเออไม่ไม่คือแบบคือ เราอยากจะมอบโอกาสอายุอยากให้เปิดโอกาส แต่ถ้าถ้าลงเหนือ 3-4 หมื่นเจ๊จะไปจริงๆแล้วจังหวัดนี้ไปวิปัสสนาเมื่อไป 10 วันจะทํา ก็คือหลังจากที่โลดแล่นกับวงการ ครอบครัวเพราะฉะนั้นอย่างเอ่อชีวิตครอบครัวเป็นเป็นเบสที่สําคัญมากสําหรับชนาแล้ว ต้องจากไปเพื่อนก็จะมาหาเราจะมาช่วยส่งศพเราอ่ายอมรับจริงๆนั่นคือเป้าหมายทุกคนใช่ไม่แต่เป็นกลัว ได้บทที่มี 2-3 คนนี่ 2-3 คน 3 คนตอนนี้ชนา family business ก็เอ่อจะกลับมาทํางานปีใช้ประสบการณ์ทํางานเรือ 12 ปีเพราะ 20 ปีประสบการณ์บนเรือเอ่อหมายถึงประสบการณ์ ใช่ๆก็คืออัดทําไม่เป็นอาจารย์ก็คือคนธรรมดาที่แบบแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนได้ประมาณนั้นเนาะก็เลยอย่างเงี้ยเนาะอ่าฮะๆแล้วละเทศนี้ก็จะเก็บเอาไว้แล้วหลายๆคนแล้ว ผู้ชายผู้เชยอะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีก็อย่าเอาของมีค่า เราเราเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้เงินความอ่าไม่ใช่ ครับเออดีนะถ้ายังมีคําถามอะไรนะถามมาได้ตลอดนะเอ่อเดี๋ยวเบรกต่อไปก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าคุณ 2 ไม่ลาแล้วได้เดี๋ยวเราเบรกนั้นจุด 90 นะ Bangkok Radio Formen โดยวิทยาแสงอรุณพี่น้องจ๋าและสินปิ๊บ MSN ก็ไม่ เราก็ตั้งตั้งเออก็โทร 02 338 3589-90 นะครับโทรเข้ามาถ้าอยากดีๆนะจริงๆแล้วอ๋อใช่มั้ยใช่น้องเค้าไม่กล้าแล้วที่สําคัญ 2 เล่มชนามา 20 เล่ม เศรษฐังลุยเอ่ออะไรซึ่งคือนานๆมาทีอย่างอย่างที่เรียนให้ทราบจุดประสงค์ 2 เดือนใช่ อาจต้องอนุโมทนาบุญเพื่อนๆทุกคนด้วยอาจจะฟังหลังไมค์หรือไม่ก็อาจจะฟังทีหลังที่มาส่งตอนนี้เค้าเพิ่งไปร้านๆด้วย เป็นนิยายอะไรแต่งมาเหมือนกับหาไม่ได้อีกทั้งหากเพราะมันหมดแล้วในตลาดเพราะใช่แล้วต้องต้องเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับพวกเราเนี่ย 90 เจ ไม่ใช่มีข่าวมีข่าวใช่มั้ยอ่ะมาถามจากอ่าอะไรเอ่อจะเล่าตั้งแต่ 2 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอย่างงี้โจรรัสเซียคุณชื่อคุณใช่มั้ยใช้คนเดียวกันใช่ยังเพื่อนๆรัสเซียที่ ชนะอยู่กับเพื่อนคือเค้ารู้ว่าชนะไม่มีตังค์หน้านี้แบบมันคงไม่มีตังค์แน่มันก็ไปเอากระเป๋าแบรนด์เดมแบรนด์เนมชื่อดังเอาเอาเอาโพสต์เอ่อ ก็คบกับเพื่อนประมาณว่าตะโกนเสียงดังจะ 4-5 คนก็โดนเปิดที่แบบอะไรไม่หายไปเป็นเป้ใช่ นัคคระเดไซโอ้เป็น 28 ปีเป็นผู้หญิงผู้หญิงป่นไข่มีป่นมาป่นร้านกูอ๋อเดี๋ยวๆๆแล้ว เจ้าของร้านผู้หญิงแล้วก็ 3 วันโอ้เออยังไงอ่ะ 3 วันจนหนําใจแล้วแสดงผู้ 28 ปีโห 28 เองด้วย 3 วันเธอ ออโดนไปแจ้งตำรวจเออแล้วยังไงต่อว่าอีกเจ้าของบอกว่าทําไม่ได้พา อวัยวะเพศซึ่งบวมเป่งเออจากไว้อาการใช้งานมากคือประสาทใจจูนบวมเป่ง เจออย่างคุณคุณเออเป็นผู้หญิงนะเค้าแซ่บอ่ะคุณฟินน์เออน่าจะน่าเออ 28 ปีไม่เคยเสีย ชนะได้กัน must come first ประมาณนั้นว่าชนะขอความปลอดภัยเซฟตี้มัสคัมแล้วก็ไป ไม่แน่แล้วแต่ฉันดูหน้าตาก่อนเอออะถูกดิฉันต้องเลือกค่ะเพราะคือท่านยืน สนทนากันนิดนึงเออกับกันดีไม่ปิงกับคุณอออ่างเนี่ยฮะนั่งอยู่ข้างหลังด้วยกันแล้ว มาเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยพังพรูพังแล้วก็แบบว่าก็เยอะคนแบบ เขาก็ดับไปรุ่นวัยรุ่นหน่อย 20 ต้นๆแล้วก็คงดื่มมาเยอะเขาบอกได้กลิ่นมาใช่แล้วบังเอิญคนขับแท็กเอ่อแท็กซี่คนเนี้ยเค้าก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ปัดต่อยหนักใช่ ปัดกับมากทุกใครปัดเออปัดปัดปัดแต่แต่มันก็ฟังแบบเหมือนแบบปัดแบบว่านึกว่าจะผากออกจากรถเลยก็ผากเอาไปผักมันกันมาแล้วแต่ไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเค้าก็ไม่ยอมตอนแรกมันก็ลุ้นลุ้นให้แบบเออทําไมไม่ไปด้วยกันเลยล่ะแล้วแล้วไงแล้วไงก็ไม่มีอะไรก็คือในกรณีนั้นน่ะเค้าก็เอาตัวรอดของเค้าได้คือเค้าก็เป็นผู้ชายทั่วไปไงพี่แต่ว่าเค้าก็บอกว่าประสบการณ์ของเพื่อนเค้าสิเคยเจอครั้งนึงด้วยที่แบบว่าได้แท็กซี่ อาจจะมีตังค์หน่อยไง เมียก็เลยโทรไปด่าเลยโทร 1 3 ปีที่ผ่านมาเกือบจะตก มายาเยอะบอกช่วยขึ้นมาห้องหน่อยสิไม่ใช่ขนของหน่อยแต่คือเราต้องบอกเค้านะบอกก่อนจะมานี่เธอต้องเอาบัตรประชาชนมานะเดี๋ยว คือสุกสวัสดีครับมีสายทางบ้านมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรเอ่ยครับ นะแล้วหลายคนด้วยที่ 9 บาทที่ไหนก็ อ๋อไม่ไม่คือทําบุญไม่ไม่จําเป็นต้องอะไรอย่างเพราะฉะนั้นดีใจมากค่ะที่อยากได้ครับคือผม คือคุณฉันน่ะมีประสบการณ์ที่ที่เยอะแล้วก็ใช้ชีวิตได้คุ้มค่าๆเลยแล้วก็เป็นคนแต่แต่ก็แต่ผมว่าเป็นวิธีใช้ชีวิตที่ที่อย่างเงี้ยคือ ก็คนอื่นก็ได้ได้ประโยชน์ไปด้วยเท่าคือ ขับเรือน่ะกับตังเค้าใช่ประมาณนั้นเค้าไปกดปุ่มเลยอ๋อ CNN ไม่เห็น 2N นะฮะ 2N ไม่ใช่ CNN คือ 2N ไม่คือ CNN สํานักข่าวใหญ่ 1 สัปดาห์จริงๆเค้าก็มาๆใน กลางวันและกลางวันตั้งในการปลูกตอนอ่า 10 นาทีอืมเพราะคือนอนตอนนั้นชั้น 3 ก็เอ๊ะทําไมนอน 3 ต้นๆเหตุ 3 ต้น คิดว่าจะพยายามหลับ 2 ชั่วโมงไหวหน้าก็เลยตอนนั้นเริ่มเอียงขึ้นเรื่อยๆ2 ชั้นมาโรงเรียนประจํากําลังกิจกรรมอ่าจะโดดเออกําลังจะ อ่าคนคนที่ที่ทําไกลใช้ใช่ๆก็เลยหลังอามเดี๋ยวนะอะไรจะร้องไห้เหรอจริงก่อนก่อนที่ อ่าไม่มีครับก็ขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวฝัง ตรงนั้นเรื่องนั้นต่อว่าคือคือเพราะอะไรเรือมัน passenger ต้อง disembark คือ US Coast Guard มาตรวจเช็คสภาพว่าเรือเป็นยังไงบ้างพร้อมปี 2007 ก็จะ CNN เลยอ๋ออาจารย์มี ครับผมคุณกัสใช่มั้ยอ่าครับคุณกัสฟังรายการอยู่ใช่มั้ยอ๋อพอดีโทร อ่าจริงใจงงเดี๋ยวๆงงงงเลยนะหนังสือมาแบบงงๆกันแหละจะจัด 2 เดือนต่อปีต่อ 12 ปีคําถามต่อ 1 จนเบรกสุด โอเคพักเรื่องคุณชนานาแป๊บนึงก่อนกลับโทรเข้ามาจะจะคุยเรื่องอะไรๆพี่หาอัปเดตนะๆแล้วเป็นยังไงชีวิตโอเคมีความสุขโอเคกับแฟนคนนั้นโอเคตอนก็ อีศรามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแบบไม่จําเป็นต้องพวงเป็นชงค่ายเอาล่ะค่ะตอนนี้ศราก็ไม่มีอะไรจะเหลือ กรุงเอออืมนะโอ้โหขอบคุณ MSN แล้วก็โทรเข้ามาแล้วก็มี มีคนการ์ดคนการ์ดหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ประจําอ่าคนที่โทรเข้ามาเมื่อกี้นี้เออนะอ่าใกล้จะหมดเวลานะจะโทรเข้า 02 338 3589 90 คืนก็ โทรเข้ามาโทรมาแค่เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคุณผู้ฟังค่ะก็ก็ได้พี่ๆเพื่อนๆในวงครับอ๋อมีคุณนิกรด้วยอ่า ตอนตอนนั้นยังยังยังไม่ยังไม่รู้ด้วย เออก็มีคุณนมอ่ะชื่อคุณนมไหนคุณโจแอนเขียนว่ายังไงท้อเพื่อให้หลายแล้วคงต้องบอก ของของอะไรนะคุณจันจรรย์ค่ะเอาเอาของน้องตุ้มๆๆไม่เป็นไรทุกท่านอยู่ค่ะเธอบอกว่าทุกคนต้องมีความค่ะครับ นั่นคือความบันเทิงมันสาระไม่ใช่สาระแน่นะก็ได้ มามามาใช้กับชีวิตประจําวันส่วน เป็นเอ่อผู้ชายบางครั้งคนเดาที่แล้วก็ผิดหวังมากๆในตอนนั้นแต่ว่าสักวันนึงเราจะผ่านพ้นไป 25 ข้อดีๆสัก อะไรเอ่ยอันแรกเนี่ยมันเหง๋ะอันที่ 2 ไม่แน่นะฉันชักขัดใจนิดนึงไม่ท้องครับคุณฟิลด์เขาๆเขาบอกอันที่ 2 เนี่ยฉันฟิตเปียเปียหาได้หลวมไม่ๆเออไม่ใช่ 7 นะลด เออก็เรียกว่าควบคุมนะครับไม่ลดนะจริงเหรอตอนนั้น DJ Station ใช่เป็นรายการเพลงครับ เน้นตลกเนาะมันว่าคือคือคือ อย่างเงี้ยแล้วมันคนเหมือนกันปล่อยหาทางออกของเขาต้องๆคือเราก็ ตัวเองเป็นเคแต่แบบอ่าฮะรู้กัน 2 คนทําให้แบบ post today ตอนที่ออกหนังสือตอนตอนตอนตอนนั้นน่ะ ครับเพราะคุณชาน่าเป็นแขกวันนี้เลยไม่กล้าลุกไปๆครับโอ้โหกลัวพลาดชีวิตให้กับคุณนี่อะไรนะมีคน แต่จะกรอบมันเพราะว่าอ่าฮะก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้ cut out ก็ใช่มั้ยวันนี้จะฝากไปทางนั้น คอมเมนต์กันเข้ามานะครับยังคอมเมนต์เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้อ่าโอเค ก็โทร 02 338 3589-90 นะครับเพื่อจะมาขอรับใช่ง่ายขนาดนั้นเลยครับสายครับได้เฉพาะหนังสือยังไม่ได้ตัวคุณชนาใช่ได้ก็ขอเบอร์ ถ้าอยู่ไกลก็อาไม่แน่นะคะเดี๋ยวถามนิดนึงค่ะโคค่ะตรงค่ะแคสโทรใช่มั้ยใช่ค่ะค่ะ มีกิจกรรมมีอะไรต่อไม่ได้ทั้งเหมือนอําเภออําเภอนึงไม่ไม่ไม่เป็นจังหวัดดีมั้ยครับเป็นจังหวัดนึง ที่เกรซนี่คือเป็นเกเขาเรียกเค้ากล้าประกาศเลยนะว่าใช่จริงๆกลางคืนไปเที่ยวเทคจะมีโขดหิน คราวนี้เอาคือบางทีเค้าก็ไม่รู้เคยชนะเวลาไปอยู่หรือเปล่านอกเสียแต่หรือว่าใส่เสื้อไทย ครับเออสง่ากับประเทศขู่ชาเอาคำถามแบบเอ่อเวลามันแก้จะหมดแล้วเป็นอยากจะรู้ๆหลายๆเมืองที่คุณชนาได้ไปมาความเกของประเทศเราเนี่ยระดับความเกแบบว่า ง่ายๆสั้นๆเลยนะครับกรุงเทพฯว่าไม่ ใช่ต่างประเทศคือเค้าเค้าอาจจะค่ะใช่เค้าช่วยเอ่อเฟิร์สเอิดค่ะช่วยๆอ่ะ ปลอดภัยมั้ยครับส่วนใหญ่เมืองที่เราไปส่วนใหญ่จะแบบๆๆก็ดีเราจะได้รู้ อย่างประเทศดังๆเอาไม่ว่าจะเป็นอิตาลีใช่อ่าอย่างที่รัสเซียเพื่อนเคยบอกกันเวลาเธอออกไปข้างนอกนะคือคนสมัยเก่าเขายังหัวรุนแรงอยู่เขา ข้อมูลเยอะๆ ไอ้ไอ้ที่เค้าเล่นหนักเอ็กของคุณเลยตัวอีกกระชากบางไอ้แคริบเบียนแถวๆนั้นก็เกย์เฟรนลี่ เอาล่ะครับวันนี้เราก็หมดเวลาก็ช่วงสุดท้ายของครับมี